อ, อย่าโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าตอนที่แล้วเป็นนั้นว่าตล่ลงองค์ที่คนที่สี่ท่านเอามาทิ้งเอาหัวพุ่งเข้าไปในประตูบ้านถ้าท่านก็เจเริญพ่าว่าเอ้าให้หาเจ้าเมืองเข้าไปเมืองเสียกตามกูไปทําไมก็ไม่รู้พายกูลําบากด้วยแล้วแกก็หายไป ความจริงตอนนั้นแต่มาก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะว่าเดิมเราเป็นคนเวลาตายไปแล้วท่านลุงก็บอกว่าเป็นพรหมพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเเป็นหาหาก็ไม่ใช่หาธรรมดาในโยมนะเป็นหาเจ้าซะด้วยทหาของเจ้าเนี่ยคงจะ ม, มีมีมีอนุภาพมากเดี๋ยวก่อนโยม จะออกน่าลูหนอกทางไปเลยหนังสือเนี่ยมันเล่มใหญ่สงสัยได้เกินว่ามันจะถึงร้อยคัดเศษจะปล่าก็ไม่ทราบฟังกันไปตามส บ, สบายพอเปนน็นว่าพอท่านลุงท่านเสียหัวเข้ามาระตูบ้านก็มีความรู้สึกทางร่างกายรู้สึกตัวนะพอลืมตาขึ้น ตอนลืมตาขึ้นในบรรดาญาโยมเห็นคนในบ้านเต็มไปหมดก็รู้สึกแปลกใจเยเอ๊เวลาที่เราไปจากที่นี่เนี่ยมีคนอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนแต่ได้ไม่คนมากนักแต่ความรู้สึกทางร่างกายสุดหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมด ความรู้สึกทางร่างกายจุดหนึ่งก็คือกระหายน้ำมากก็พอดีเห็นคนหนุ่มคนหนึ่งแกอายุประมาณเกือบจะสามสิบปีนั่งอยู่ข้างๆเมื่อเห็นแกเข้าก็คงจะจํจำได้นะว่าเป็นคนบ้านใกล้เลีงเคียงกันได้หวังหวังในความกรุณาเร่งเคียงกัน นี่หวังหวังในความกรุณาของท่านผพมัอนอยากน้ําเต็มที่ได้ออกป่าขอความกุณล น, นาแก่ว่าพี่นี่ขอน้ําดื่มสักขันเทถอ่ะผมอยากน้ําจริงๆอยกกินน้ํามันสมใจกับที่มันกระหายมากนี่จะบอกแกว่าน้ารับพี่ก็ได้น้าก็ได้ช่วยหาน้ำมัหน่อยได้ไหมครับ พูดแล้วแกก็ฟังแกฟังไม่ถนัดแล้วแกก็ก้มลงมาเสียงและเข้าใจว่าพูดดังแต่มันคงจะดังน้อยไปแต่ตามความรู้สึกก็พูดดังมากแกก้มลงมาเอาหูมาใกล้ปากก็ออกไปคั้งหนึ่งวัานน้าขรับขอน้ามผงพุนสขันนี่ขอรั บ, ออ ผ, มรบผมอยากกินน้ำจริงๆมันก็หายมาก แต่พอกินแกได้ยินข้อนั้นในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแทนที่แกจะไปหาหน้ำมาให้แกก็โดดพลุง้งห้ามตัวตวมาเปรศในวาร์แล้วแกก็ร้องเสียง loud ผีหลอกผีหลอกผีหลอกเอาพวกเราเว้ยผีหลอกอุ้ยเอาแล้วสิยุงเอารวายบายกันทีแล้วก็นั่งนึกใ น, กนกใจว่าไปถอย ไอ้เราเนี่อยากน้ำเต็มทีจริงๆนะอยากจะกินน้ำไอ้เราก็ไม่ใช่ผีถ้าไม่ก็เห็นไม่ผีไม่ได้ตอนนี้ตาหนสษีบอกดูเถิดท่านบัวอานมานุษย์เน่ยมันเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ข้างๆตั้งนานไอ้แกก็ไม่กลัวพอพื้นเคลืนชีพกลับเข้ามาก็หาว่าเป็นผีไม่ว่าตาห น, นุษีบอกว่าเรื่องของคนนี่มันก็สับสนบอกอะไรก็ไม่ถูก เมื่อทุกคนเขาได้ยินเจ้าทิดหัวเหม่งขี้ขาดแค่ขี้ขาดเกินก็คนธรรมดาเราผีหลอกผีหลอกทุกคนก็เข้าใจว่าฟืนแล้วทั้งนี้เนีวยว่าเมื่อหลังจากตายไปแล้วไม่นานปรากฏว่ามีพระผู้ทรงคุณธรรมวิเศษมาทราบไปหลังว่าท่านได้ฌานสมาบัตินะ แล่ถ้ากับบาด้วยถ้าอนนี้มีศักดิ์ศรีเป็นหลงอาองนี้เนะี่ยรู้สึกว่าไม่ชาสมาบัติปกติมาลุที่หลังนะ่เมื่อท่านมาเวลาที่ตายที่เวลาสิ้นลมปลายเ็าก็แจ้งไปทานศาสตร์แต่ก็ห้ามทุกคนมันมาแล้วบอกยาทากิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ร่างกายเด็ดขาด ถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นไว้ตามนั้นก่อนเด็กจะฟืน้นคืนชีพก่อนสว่างพอฟังท่านี้ญาติโยมจักสงสัยไหมคนที่อยู่ที่นั่นกันเต็มบ้านคืนนั้นเขาก็เลยอยากจะเห็นการฟืน้นรวมทั้งเจ้าทิ่จอมพี่ขาดตาขาวนั่นด้วยตางก็ล้อมวงกันเข้ามาตามธรรมเนียมของของไทยมูสำหรับ ท่านลุงที่มีคำสั่งให้คนเอาน้ำนะอาน้ำสะอาดสะอาดท่านลุงยังอยู่อาน้ำสะอาดสมัยนั้นก็เป็นน้ำฝนที่เป็นน้ำที่สะอาดอันดับหนึ่งเอามาให้หนึ่งขันขันขนาดใหญ่ก็เคยกินจนหมดขันเลยมันอยากเต็มที่ <c oughs> ดื่มไม่ถอนปาก เมื่อกินน้ำแล้วก็ลุกขึ้นคุยตามธรรมเนียมของคนตายแล้วฟื้นอาการป่วยที่มันน่าเบื่อหน่ายก่อนตายเพื่อการเจ็บการปวดท้องอะไรต่รทั้งหมดเนี่ยท้องเดินอาการทั้งหมดมันหายไปหมดเลยไม่เหลือร่างกายปกติรู้สึกโปรง่งสบายท้องโลง่งไม่มีอะไรรบ ก, กวนตอนนี้เราสงสัยเหมือนกันว่าไม่ทราบมันหายไปทางไหน ร่างกายมีความสบายทุกคนต่างก็สนใจเรื่องที่พบมาต่างก็ถามนะต่างก็ถามกันท่านแม่ก็เรียกว่าอ่าท่านแม่เนี่ยท่านเดินมาจากไหนก็ไม่ทราบท่านมันฟืน้นรวมทั้งเจ้าทิตจอมพี่ขาดตาขาวนั่นด้วยต่างก็ล้อมวงกันก็มาต า, ามธรเนียมของของไทยโมสําหรับท่านลุง ที่มีคำสั่งให้คนเอาน้ำเอาน้าสะอาดสะอาดท่านลุงยังอยู่อาน้าสะอาดสมัยนั้นก็เป็นน้าฝนที่เป็นน้าที่สะอาดอันดับหนึ่งเอามาให้หนึ่งขันขันขนาดใหญ่ก็เคยกินซะจนหมดขันเลยมันอยากเต็มที่ <c oughs> ดื่มไม่ถอนปากเมื่อกินน้าแล้วก็ลุกขึ้นคุยตามธรรมเนียมค้องคนตายแล้วฟื้น อาการป่วยที่มันน่าเมือหน่อยก่อนตายเกี่ย้ ก, การเจ็บการปวดท้องอะไรตัวอะไรทั้งหมดเนี่ยท้องเดินอาการทั้งหมดมันหายไปหมดเลยไม่เหลือร่างกายปกติรู้สึกโปร่งสบายท้องโล่งไม่มีอะไรรบ ก, กวนตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าไม่ทราบมันหายไปทางไหนร่างกายมีความสมบายทุกคนแต่งก็สนใจเรื่องที่พบมา ตางก็ถามนะตางก็ถามกันท่านแม่ก็เรียกว่าอ้าท่านแม่เนท่านเดินมาจากไหนก็ไม่ทราบท่านแม่ก็บอกว่าอ้าท่านแม่ในท่านเดินมาจากไหนก็ไม่ทราบท่านแม่ก็บอกว่าอ่าถามถามแม่เขาไปถามท่านแม่นะบอกว่าไอ้คาถาภาวนาว่าพุทโธอ ร, รหังเนี่ยที่สอนลูกแล้วก็บอกให้ลูกมองดูพระ พระจะช่วยระ ง, งับทุกขเวทนาได้ก็เล่าให้ท่านฟังหมดว่าเวลามองดูพระเปีงไงก็ตามที่แล้วมาพูดแต่มันจะย้อนไปมากเสียเวลาการฟังแต่ก็ถามท่านแม่ว่าเรียนมาจากไหนท่านแม่ท่านก็บอกว่าเรียนมาจากหลวงพ่อปานบ้านบานองโคอำเภอเสียนาจังหวัดพระนครศรีติยาาม บ, บอกว่าหลวงพ่อปานทุกคนรู้จักดีเป็นว่วันนั้นท่านแม่ ต้องมีหน้าที่บรรยายเรื่องภาวนาเสีจเหนื่อยวันต่อมาพวกกลัวตายก็พากันมาขอเรียนกับท่านแม่เป็นการใหญ่แต่ว่าใครจะได้อะไรไปบ้างเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนดสมาเองเวลานั้นนะส่วดสมาเองน่ะไปแล้วเขาไม่ให้ไปในรกเมื่อฟื้นแล้วความชิงของอารมณ์ ความชินของอารมณ์ที่ภาวนาแล้วก็มีความมั่นใจในพระพุทธคุณทุกวันไม่ อ, อยากจะเห็นพระโอ้นั้นเมื่อไรก็เป็นก็เป็นเรื่องไม่แปลกนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นท่านได้ทันทีเห็นแต่ละคราวก็สวยชัดเจนแจ่มใสแล้วก็เป็นการเห็นท่านชัดทุกครั้งในการจะไปนรก ก็เป็นเรื่องที่ไปไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรเลยอยากจะไปเมื่อไรก็ไปได้ทันทีนี่เป็นความรู้สึกเวลานั้นอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะเขาคขาเจะเป็นฌานเป็นเชยนะั้นไม่รู้ว่าเด็กๆไม่ได้สนใจไม่เคยฟังคำฌานาสมาบัติแต่ว่าพออยากจะไปนรกก็จำไลยว่าก่อนจะไปนรกอาตมาควรนึกถึงพระองค์นั้นก่อน เมื่อนึกแล้วท่านก็มาแล้วท่านก็กลายอ่าเมื่อท่านมาถึงที่ก่อนนะและหลังจากนั้นก็กลายเป็นคนตัวที่สองคือเห็นท่านพระเห็นพระท่านแจ่มใสจุดนี้เป็นที่สังเกตยี่จุดหนึ่งบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นนับว่าเวลาที่เห็นพระท่านมาเนะี่ยท่านแจ่มใสสว่างสวายชัดเจนขนาดไหน เวลาออกไปจากกลางไปในรกมันก็สว่างเท่านั้นแหละแล้วก็เห็นได้กว้างขวางมากอันนี้ก็เห็นจะเป็นการเป็นสัญลักษณ์เป็นการสแสดงให้ปรากฏกัมรัดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังฝึกมโนยุิธิอยู่เวลานี้นะจะได้เข้าใจชัดว่าวิธีปฏิบัติจบภา พ, พระเองชัดแจ่มใสเท่าไรการออกไปแล้วเรจะเห็นเท่านั้นนี่เป็นเครื่องวัดหลังจากนั้นแล้ว ก็ไปแต่ลุได้แบบสบายๆนะเห็นท่านพับเห็นท่านมามีฉับพลังสีใสเป็นเปรืกายเปลราวทรงยิ้มยิ้มปั๊บพอนึกว่าจะไปไหนมาออกพุทธทันทีดีไม่ดีพอเห็นท่านปั๊บมันก็ออกพุธไปกราบท่านเลยตัวที่สองนะั่นเหม็นคล่องพอนึกพับอยากจะไปไหนมันพุธก่ไปเลย นึกว่าเออเขพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเออแล้วก็คิดในใจว่าคนนั้นดีเขาพูดรูแกรนาตาเป็นแบบไหนอยู่บ้านไหนทําอะไรกินพอนึกตรงนี้ยมันก็ไปบ้านนั้นเลยนี่เป็นนั้นว่าผลอันนี้ได้จากความตายดีนะโยมนะหัดตายก็จะบ้างก็ดีนะเป็นนั้นว่าจําได้ว่าเอออาจจะมาเขาเขียนว่าอย่างนี้นะอาจจะมาจําได้แล้วก็ ก็อาตมาก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติเจียวมาท่ทามบูตพระนี่หมายความว่าไอ้เจริยานั้นทำมาเป็นปกติอคือทุกครั้งที่อาตมาอยากจะไปนรกก็ไปได้ทันทีนึกถึงพระทั้งก่อนนึกถึงพระพับเห็นพระเลยพรนึกถึงก็เห็นเห็นเอก่อนไม่เห็นท่านแล้วท่านแจ่มใสยิ้มใจสบายเมื่อเห็นท่านอาตมา ก, ก็บอกกาว่า อาตมาต้องการไปนรกครับว่ากับผมกราบท่านนะพอเห็นท่านแนละ้วก็ไอตัวที่สองมันก็ออกออกมากราบท่านก็กราบพินว่ากับผมอยากจะไปนรกครับอพอท่านยิ้มเท่า น, นั้นแหละไอ้เชื่อก็ไปปรากฏตัวที่นรกที่สัันทีพอบอกว่าท่านอย่าบอกท่านอย่าไปนรกท่านยิ้มพอยิ้มพับ ตัวไปปรากฏที่นรกไม่เห็นต้องตั้งท่าต่างทางทำพิธีดีตองอะไรเลยเนี่ยการไปนรกนี่เป็นปกติขออาตมาทําให้อาตมาตอนนั้นเป็นคนเลวไปไอ้ <c oughs> ที่ไปนรกบ่อยๆก็เคยทําให้เป็นคนเลวน่ากลัวเชื่อนรกมันจะติดมาไม่เห็นจะต้องตั้งท่าต่างทางทำพิธีดีตองนะ เพราะเพราะว่าเมื่อท่านแม่กับท่านยายเนะี่ยท่านนิยมฟังเทศไอเทศในท่านในบรรษานะี่ยท่านต้อง น, นิมนต์พระมาเทศที่บ้านเต็มไตรมาสสามเดือนถ้าเวลาออกบรรษาท่านจะนิมนต์พระมาเทศทุกวันพระนี่เป็นนั้นว่าถ้าวันไหนท่านไม่ได้ไปวัดท่านไปวัดถ้าไม่ได้ข้างวัดท่านกลับมาบ้าน กลางคืนท่านจะต้องนิมนต์พระมาเทศอีกกลางวันท่านไปฟังเทศที่วัดให่ออกพรรษาเว ล, ลาท่านไปวัดท่านก็พักใหญ่หอบออตมาไปดูเสมอเป็นว่าท่านชอบฟังเทศแล้วก็เทศที่ท่านฟังชอบฟังมากที่สุดก็คือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ตอนนี้เป็นว่าพระที่ทำมาเทศที่ก็ต้องตามใจคนฟัง เทตย์ในสวรรค์เทตยนรกพอที่เมื่อเทตยจบแล้วอาจมาในตอนนั้นมันเป็นเด็กก็อยากจะทราบว่าคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้นิดเดียวแค่ไปได้แค่นรกสวรรค์ผมไม่รู้เรื่องเลยเปลือสุรกายไม่รู้จักก็อยากรเรู้เข้าไปถามนี่ว่าท่านขอรับที่ท่านเคยที่ท่านเทศยนะี่ย เรื่องสวรรค์ก็ดีแล้วนะลูกก็ดีนะอยากจะทราบว่าท่านเคยเห็นหรือเปล่าขอรับไม่ดีถามว่าเคยเห็นแล้วไม่เคยเห็นไม่ใช่จะไปไล่เบี้ยความรู้ของท่านอยากจะเรียนต่อว่าอยากจะไปมากใครกว้างขวางกว่านั้นท่านก็ตอบว่าท่านไม่เคยเห็นหรอกใด้กราบเรียนฐานว่าในเมื่อไม่เห็นแล้วก็ท่านเทศได้ยังไงแล้วขอรับ ท่้นก็บอกว่าอ่านจากตำราเมาื่ออันนี้ที่มันท่จะยุ่งพอท่านบอกว่าอ่านจากตำรานะแล้วก็อาตมาเองก็เคยคุยกับท่านได้ฟังบอกว่าหมพ่อขอรับลวงพี่ขอรับหลวงน้าขอรับตามฐานะตามอายุไอ้ผมเนี่ยเคยไปนรกทุกวันครับ แล้วก็เล่าความเป็นมาต่างๆให้ท่านฟังเพราะเล่าจบท่านว่าอย่างไรวะท่านหาว่าเป็นเรื่องโกหกไปที่พูดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอุปาทานบั่งเป็นเรื่องโอพาดบ้างเป็นเรื่องข้ออารมณ์หลอนบ้างไ้เรื่องที่พูดมาเนี่ยไม่ไม่จริงนะมันโกหกมันเป็นอุปาทานเป็นโอแปลอรมหลอนเป็นโอพาดเป็นอะไรตัวอะไรก็ท่าน แล้วก็นึกในใจว่าไอ้คนโกนหัวผมผ้าเหลืองที่เขานิยมยกมือไหว้กันว่าเป็นพระคิดว่ามันจะดีกว่าเราของที่เราเห็นมาเองไม่เด้เสียแสร้งแกล้งทำแล้วเราก็ไม่เคยเรียนตำรับตำราเราเห็นมาเองก็มีการยืนยันทุกอย่าง แต่มันกลับมีความรู้สึกแล้วบอกว่าเราโกหกเลยคิดว่าไอ้เจ้าเหลืองฮัวโลนี่ไม่ใช่ดีทุกคนมันคงจะมีตัวเลวผสมดีอยู่มากแต่เท่าที่เห็นนี่เลวแน่ของเราพูดจริงรู้ได้ยังไงว่าโกหกเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่กายแกดันมาบอกว่าโกหกก็แสดงว่าแกเลวว่าเรามากนี่มาแล้ว ดึงจยงคิดในใจว่าไอ้เจ้าพวกนี้นี่บวชหลอกลวงชาวบ้านถ้าต่อมาความคิดต่ น, นั้นคิดว่าว่าคนพวกนี้บวชก็มาหลอกลวงชาวบ้านหากินไม่เนีมีอะไรดีสักนิดหนึ่งคุยเป็นผู้รู้เอาเปรียบชาวบ้านไม่ทํามาหากินแล้วก็มานั่งโกหกชาวบ้านว่าตนเป็นผู้พิเศษ เล่าเรื่องสวรรค์เล่าเรื่องนรกแต่ตัวเองไม่เคยเห็นเลยนี่เรื่องที่เราเห็นมากับตาเนี่ยก็หาว่าเป็นเรื่องโกหกก็เลยทำให้เกลียดพระแต่ว่าเกลียดพระไม่ได้เกลียดทุกองนะเกลียดพระที่พูดแล้วไม่ยอมรับว่าไอ้เรื่องที่เราพูดเป็นความจริงเกลียดเฉพาะพระประเภทนั้นแต่พระเอื่นยังไม่เกลียดก่อน <c oughs> ว่าองค์ไหนถะไปพูดแล้วบอกก็ไม่จริงโก้ฮกจรืงหนึ่งอารมณ์ร้อนอะไรต่ออะไรพวกนี้ยได้เกลียดทันทีเลยเกลียดแล้วไม่อยากไหว้พระประเภทนั้นเลยแถมต้องเวลาจะไหว้พระก็ต้องดูท่าก่อนถ้าไหว้วางใจก็ไหว้ไม่ไหว้วางใจก็ไม่ไหวอย่างที่โยมท่านหนึ่งที่ไปออกสถานีโทรทัศน์ช่องหา้าเมื่อวันที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะ เดืกันญานี่ยเป็นนั้นว่าท่านถามว่าพระที่ท่านใส่บาต ท, ท่านใส่บาตประจํำถามว่คุณเจ้าเรียนธรรมะชั้นไหนเจ้าค่ะได้ธรรมะชั้นไหนพระบอกว่าไม่ได้เรียนหนังโยมแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอาตมาเรียนมศห้าบางท่านก็บอกอาตมาเรียนการบัญชี โยมนั่นเก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็นัดตะ ว, วันนี้เป็นต้นไปขอพระคุณเจ้าไม่ต้องมารับบาตรที่บ้านนี้หรอกาอาตราวโยมไม่เริมใสอันนี้โยมทำถูกโยมทำถูกหรือว่าพระเนี่ยบวชเข้ามาแล้วการเรียนความรู้พิเศษเป็นของไม่ผิด จะเรียนมสหเรียนภาษาต่างประเทศเริยการบัญชีเรียนกฎหมายก็เรียนได้เรียนเพื่อเป็นการบรรดาบความรู้แต่ว่าต้องเรียนความรู้ทางพระก่อนอันดับแรกต้องได้นักธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติหนึ่งศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าที่ศีลสิกขาสอนจิตเป็นชายสมาบัติที่เรียกว่าที่จิตสิกขา ถามวิบัวิปัสนาญาณมีปัญญาดีที่เรียกว่าปัญป ญ, ญาสิกขาหลักสามรายการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนจะได้ทั้งไหนไม่ได้ถึงไหนไม่สําคัญตั้งใจทําจริงให้ศีลบริสุทธิ์จิตสงชนันมีวิปัสนาญาณเป็นอารมณ์และจะเรียนอะไรก็เรียนได้เพื่อขั้นประดับความรู้ไม่แปลกแต่ว่านี่ไม่เอาซะเลยที่โยไม่ข้าวกิ น, นสมควรแล้ว เพรแต่คือให้ข้าวกินมันก็เสียข้าวเปล่าเพราะว่าสภาพของท่านน่ะมันไม่ใช่พระมันเป็นสภาพการหลอกลวงอย่างนี้เรียกว่าเท น, นะคือหัวขโมยขโมยภาพของพระขามาครองนี่ก็ทําตนว่าเป็นพระพวกนี้น่ะที่ทําลายพระศาสนาไม่ได้ทําตนให้อยู่ในระเบียบบินไหนเคยไปเจอมาแล้ว เอาเด็กๆไปต่างประเทศมาเอิญเด็กๆที่ไปทุกคนเขาได้มโนยิธีกันคนนี้เป็นคนที่ได้ปริญญาสมาบัติบางคนหลายคนก็เป็นด็อกเตอร์เมื่อไปเจอพระที่ไปเรียนต่างประเทศไปทปําปณิยญาพอพบเด็กพวกนี้เขา้าเขาก็คุยในะโลกสวรรค์าถามไปได้เลยเดี๋ยวว่าพอรู้นด่กค่พูด ก, กันไปพูด ก, กันมาพระ องค์นั้นนะอาจจะพาะองกันนะไม่ใช่เลวทุกองก น, นะน้าบอกว่าถ้าไปสวรรค์ได้ลงมาทำไมนะทำไมไม่อยู่แต่ที่สวรรค์เลยล่ะความจริงเอสาหราบแบกอสรกุยเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาของพระแต่พูดกันให้จริงๆมันเป็นภาษาของสัติ์ดิฉนคนที่มีสภาพในภากาสาวัตถ์ที่ห่มอยู่ มันน่าจะมีความรู้ดีกว่าคารวาสทั้งเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยแล้วคนไปเต็มรถเนี่ยความเลวของนักบวชในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาของนัตถาคตที่จะสลายตัวไม่เจใครเป็นลูกของนัตถาคตเองเป็นผู้ทําลายเนี่ยเจ้าพวกนี้เป็นผู้ทําลายพระศาสนาแล้วไปอเอาปนิญญาอะไรมาเนะี่ยมันมีความหมายด้วย สินก็ไม่มีใอรายหนึ่งคนที่ไปเป็นด็อกเตอร์จะออกชื่อเลยมีด็อกเตอร์ไปหลายคนไปเจอพระองค์หนึ่งทำด็อกเตอร์ในด้านมงคลแล้วก็กำเรียนอีกสาขาต่อไปก็ถามคนที่เป็นด็อกเตอร์ว่าเธอได้ด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ไหมนี่ตัวมาณนะมาแล้วมีพระนี่เขาไม่ใชนะ่แบบนี้ ด็อกเตอร์ที่ไปก็บอกใช่ครับแต่ถามว่าเธอทําไมไม่เรียนหลายๆสาขาละ่ะนี่แสดงว่าท่านเรียนสาขาอื่นอีกคนนี้ก็บอกว่าไม่แล้วครับท่า น, นี้ก็พอนี่เป็นการสแสดงออกไม่ใช่จิตจญญาของพระมันเป็นมานะทิฏฐิเป็นกิเลสตัวที่หยาดที่สุดแน่เป็ น, นั้นว่าท่านไม่ได้พูดทางศีลคําว่ามงคลเนี่ยบรรดาแต่พุทธบริษัท มงคลเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัดเทวดาก็ดีพรหมก็ดีคนก็ดีเราคิดมงคลกันมาก่อนเถียงกันมาใช้เวลาประมาณสิบสองปีแต่พระองค์สมเด็จพระจินดารสทรงตัสเทวดาก็มาถามมงคลเราพระพุทธเจ้าทรงตรัดมงคลสามที่แปดประการเป็นอ น, นว่าหักล้างมงคลทั้งหมด ตอนนี้ในเมื่อมงคลในองคนน์สมเด็จพระบรมสุโครสรไม่มีอยู่เราเป็นพระนี่เราก็เรียนกันแล้วทุกองทำไมต้องไปเรียนอะไรที่มันเป็นมงคลอีกเมื่อไปเรียนมงคลไอเรียนนี่จะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลก็ไม่ทราบแต่ว่าคนที่เป็นด็กเตอร์มงคนั่นแหละกรับเป็นอั ป, ปมงคลที่ว่าอัปมงคลก็เพราว่าการแสดงตนออก ถามด็อกเตอร์ที่ไปด้วยว่าเธอเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ไหมนี่หนึ่งละเป็นตัวมณะทิฐิก็ตอบว่าใช่ว่าถามว่าทําไมจึงเธอจึงไม่เรียนหลายๆสาขาล่ะนี่ตัวนี้มันเป็นตัวอัปมงคลของพระถ้าจะถามอมงคลของพระจริงๆที่เพึงมีนะ่ะหนึ่งศีลบริสุทธ์ทุกสีขาหมด นี่เป็นมงคลอันดับแรกชั้นประถมสองได้ฌานสมาบัติถึงสมาบัติแปดและได้ญาณวิเศษ ส, สองในสามของวิชาสามห้าในหกขออ้อปัญญาหกนี่เป็นมงคลชั้นมัธยมและก็สามวันลุปัสโซดาสิกิทาคานาคารหัน อันนี้เป็นมงคลของพระชั้นอุ ด, ดมคือว่าชั้นมหาวิทยาลัยถ้าถึงอรหันต์ถือว่าเป็นด็อกเตอร์เทียบเท่ากับด็อกเตอร์นี่มงคลเขาพระเขามีกันอย่างนี้นะนี่ดับบรนดาท่านพุทธบริษัทจริงที่ว่าพวกพระเนี่ยน่าตำหนิสําหรับพระที่เร็วเพื่อพระนะั้นทำไมเร็วไอ้คนบทพระมันเร็ว นี่ก็มีว่าเกเขาบอกหาว่าเคยว่าพระแต่ความจริงพระนี่ไม่ว่าพระทระ่านเสดแต่ไอคนเอาภา พ, พระมาใส่แล้วก็ทำความเลวสรามแบบนี้ทําลายพระศาสนาเวลานี้เด็กๆเล็กๆกักกไปเที่ยวสวรรค์นรกกันแบบสบายๆหลายสันักท่านช่วยกันส่งเสริมแล้วก็มีกำลังส่วนใหญ่ช่วยกันทาลายมันจะดีเลยไปนั่งคุยกันต่อไปว่า มันตรงไหนรลืมไปซะแล้วทย้อนนิดนะเพระเดาว่าเลยทำให้ชักเกลียดพระไม่อยากจะไหวพระตามความรู้สึกในขณนะนั้นคิดว่าเอาอาหารให้พระพวกนี้กินเอาให้หมาที่บ้านกินดีกว่าเอรวหมามันช่วยเป็นยามให้พระกินแล้วก็ไปเวลาจะให้ก็จะต้องประครีนก็จะต้องไหว กินเสียมีความรู้สึกว่าให้กินแล้วก็เสียของแล้วก็เสียเวลาหาคุณประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแต่ก็วเว้นพระบางองนะไม่ใช่ไปโทษเขาทุกองคในที่สุดก็เลยไม่อยากจะไหว้พระส่วนพระพุทธรูปชอบไหว้ก็มีคุณพระที่เป็นลุงท่านรู้สวรรค์นุนนรกองค์นี้ไหว้องนี้เก่งมากท่านจะเล่าประวัติให้ฟังสนิดอยง องคไหนก็ตามถ้ามาที่บ้านต้องถามว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเปล่าควรรับถ้าท่านบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ยอมไหวเด็ดขาดของที่เขาจัดไว้จะไหวก็ไม่ยอมตะเคียนใครจะไปเคงก็ตามใจแต่อาตมาไม่ยอมตะเคีนเด็ดขาดต่อมามาพบคู่ปรับก็คือหงพ่อปานวัดบ้านหลวงขัวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุธยา อง์นี้ไหวแล้วไหวได้สุดตัวเพราะจะเอาอะไรก็ได้ไปถามแล้วนรกท่านบอกง่ายไปถามแล้สวรรค์ง่ายไปถามแนิพพานง่ายท่านไม่มีอะไรยากตอบได้ดีมากคนเราไปพูดอะไรข้าแต่บอกแก่ยังรู้ไม่ละเอียดเรื่องในโลกที่ผ่านไปท่นกกานว่ากกล้าเกินไปน้อยไอ้หออลูกโก้ล้านกูท่านเฉลียวใช่ไหม นี่เองยังรู้อย่าไปนะรู้ปู่รู้ดีกว่านี้เยอะท่านก็นเลยเล่าให้ฟังเราก็เพลินเป็นว่าท่านกล้ายืนยันทุกประตูเรื่องที่จะไปเห็นมาท่านพูดทุกมดไปไหนมาบ้างพูดหมดเลยและก็ยังจะท้าทายทุกอย่างว่าอย่างไหนที่ท่านทำไม่ได้ไม่มีอยากจะเรียนไปสวรรค์ได้อยากจะเรียนไปพรหมบกได้ อยากจะเรียนวนิันธณก็ได้ฉันมีทุกอย่างท่านบอกว่าท่านมีครบทุกอย่างพระดีท่านแม่มีพระดีท่านมีเท่นั้นแปลว่ามันตอนนั้นมีความรู้สึกพระที่ดีมีนะพระทีดีนิไว้แต่พระประเภทหากินเหลเ่าชาวบ้านก็มีเยอะไอ้อา จ, จมาตอนนั้นมีความรู้สึกเชิดเรียว ย่องไปหาเอาพระไม่ดีเข้าเลยทําให้เกรดพระไม่อยากไหว้พระปฏิบัตานี้ขบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัท ต, ตามนักเสียว่าจงอย่าเอาเลยนะว่าก่อนจะไหว้ใช่ไหมที่ก่อนนิสสมรระชนังเสยโยใครควรพิจารณาซิก่อนแล้วจึงไหว้ใครควรพิจารณาซิก่อนแล้วจึงให้กินวันนี้หนักนิดไหมเวลาเลยไปหน่อยญาโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พู่นผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี